การ น, นั่งภาวนาคือการที่เราจะฝึกหัดให้ใจสงบจิตใจของเรานะ่มีทุกทุกคนมีจิตใจเช่นนั้นแต่มันไม่สงบเมื่อจิตใจไม่สงบ ก, ก็ไม่ค่อยได้รับความสุขท้งทงที่เราก็คิดว่าเกิดมาในชีวิตนี้ ควรจะได้รับความสุขพยายามจะห น, นีซึ่งความลำบากความทุกข์ทั้งปวงก็จะพยายามไปให้ถึงความสุขนั่นแหละที่ทำมาหากินไปร่ำเรียนหนังสือมาจากสถาบันต่างๆก็เพื่อจะให้ได้โอกาสได้ควันขวายได้หยิบเอาช่วยเอาทรัพยากรต่างๆมาพอกมาภูลตนเท่า แล้วคิดว่าจะได้ความสุขัแหละความจริงแล้วต้องการอย่างนั้นทีนี้ความสุขนั้นอ่ะมันอยู่ที่ตรงไหนเราพิจรารณาดูบางคนว่าสุกกายสุกกายสุขตามแข้งตามขาตามบางคนก็สุกว่าเดี๋ยวยูเดี๋ย่กินรอร่อย บางคนก็ทุกข์ยากเยอเกินไม่อยู่ไม่มีอยู่มีกินก็ขอให้ได้มีอยู่มีกินเพ้อไดะมีความสุขบางคนร่ํารวยแล้วมีอยู่มีกินแล้วอยากจะสวยอยากจะงามขอให้ได้ตกได้แก่งเพอะตกแก่งหลังกายตกแก่งอะไรต่างให้มีเสื้อผ้าสวยๆงามๆใส่ให้มีบ้านหลังโตๆสูสีมีรถพันโต สวยสวยงามล้วจะมีความสุขบางคนก็คิดอย่างนั้นก็หากันไปเนี่ในที่สุดก็คือหาความสุขแหละทีนี้ความสุขจริงๆนะมันแอบอยู่ในเราเนี่มันแอบอยู่ในจิตในใจ น, น, นี้ถ้าไม่เชื่อให้ลองคิดดูได้ของที่ได้มาแล้วเนี่ยได้มาแล้วทีแรกว่าถ้าได้อันนี้มาแล้วมีความสุขแน่ๆได้มาแล้วจริงๆนะ ถ้าจิตใจมันไม่ยอมรับมันไม่แยแสมันก็ไม่มีความสุขไม่มีความหมายอะไรเลยจิตใจยังกระเสือกกระสนอยู่นั่นนะไม่ได้มีความสุขรอบเพราะฉะนั้นสรุปใช่ไสรุปลงไปใช่ไว่าถ้าจะเกิดความสุของจิตใจมันต้องสงบจะโดยวิธีไหนก็นแล้วแต่ถ้าทำจิตใจให้สงบลงได้ มันจะร่มเย็นมันจะเป็นสุขมันอยู่ตรงนี้แหละความพอพอใจความเพียงพอนะก็คือความที่รู้สึกว่าพอแล้วไม่ต้องดิ้นรนอีกแล้วใ น, นในใจมันคิดอย่างนั้นคือใจไม่ดิ้นรนต่อไปอีกแล้วคือใจสงบนั่นแหละมันก็เลยถึงความสุขความพอตรงนั้นคือความสุขก็คือความที่จิตใจไม่ดิน้นท่านันเอง นี่วันนี้เราจะทำความทำความสงบกันการฝึกทำความสงบในจิตใจที่สงบนี่มีประโยชน์มากมายจริงๆมากมายมหาศาลในชีวิตของเรามีทั้งหมดที่เกิดมาเนี่ยว่าทำอะไรต่างๆแล้วมันเกิดมาเกิดผลดีที่สุดในชีวิต เ, เทียบไม่ได้หรอกกับการที่จิตเราได้สงบสักทีหนึ่งเนี่ย มีราคามีคุณค่ามากมาย ก, กว่าสิ่งอื่นที่เราควนขวายหามาได้ทั้งชีวิตเลอีกจิตใจที่สงบนุ่มนิมีมีความดีมากอย่างนั้นไม่มีอะไรจะมาแลกได้ไม่มีอะไรจะเทียบได้ที่ใครเขาบอกมีความสุขในเรื่องการมารมเรื่องได้สิ่งที่ต้องการมีความสุขกับผู้คนที่เรารักเราชอบ ต่างเหล่านี้น่ะเที่ยวกันแล้วก็ความสุขที่เกิดจากความสงบเป็เที่ยวกันไม่ได้หรอกมันมีความสุขอีกประเภทหนึ่งทื่เป็นเอกเทศส่วนตัวและเป็นความสุขที่ละเอียดเป็นความสุขที่เป็นของส่วนตัวจริงๆไม่สามารถจะใครจะมาแย่งมาชิงหรือมาแบ่งมาปันเอาได้เลยความสุขเกิดจากความสงบพระพุทธองค์ก็จัดยืนยันไว้อยู่ นัดที่สันติประังสุขขังความสุขยิ่งกว่าความสงบไม่มีเพราะฉะนั้นเราหาอันนี้กันก่อนความสงบนี่ถ้าได้มาแล้วจะได้ความสุขนี่นแหละเป็นความเป็นสิ่งแรกที่ได้เป็นผลได้สิ่งแรกแล้วต่อจากนั้นอีกยังมีนะประโยชน์ของความสงบของจิตเนี่ยมีมากมากต่อไปอีก สามารถจะเอาไปทินิทพิจารณาอะไรต่างๆให้ตนเองเฉลียวฉลาดก็สามารถจะทําได้ผู้ที่เขาร่ําเรียนหนังสือเนี่ยไปเรียนวิชาจากมหาวิทยาลัยนักวิทยาลัยนี่ไปเมืองนอกเมืองนานปริญญาตีโทเอกสาภานายเนะนะี่ยเขาใช้ความสงบทั้งนั้นแหละใช้สมาธิทั้งนั้นแหละมันจึงร่ําเรียนสําเร็จ แต่ว่าอันนั้นมันสมาธินอกสมาธินิดเดียวเท่านั้นเล็กๆน้อยเท่านั้นหรอกที่สําเร็จมานั้นน่ะไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรหรอกนั่นน่ะนั่นขนาดนั้นนะได้ปัญญาตรีโทเอกมานี่ยนะให้ถึงขนาดนั้นก็เป็นผลของความสงบ ค, คือสมาธิเล็กๆในน้อยเท่านั้นเองนี่ที่เราจะฝึกเนี่ยมันฝึกให้มีสมาธิคือความสงบของจิตทั้งใจเน่ะยิ่งไปกว่านั้นอีก คิดดูซิว่ามันจะมีประโยชน์ขนาดไหนคนเราที่เกิดมาทั้งหมดใน่อยู่ในโลกนี้หละเกิดมาทัา้งหมดรุ่นไหนรุ่นไหนหน่ะมาในเพื่อจะมหาวิธีให้ตนเองเป็นอิสระจากภัยชนิดหนึ่งภัยชนิดนั้นนะคือความทุกข์คือพูดรวบยอดเลยว่าภัยนั่นคือความทุกข์ เกิดมาแล้วไม่ทุกไม่มีสักคนเดียวเพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่ทุกคนทุกสรพสัตดิ้นหล่นเลอะเกินเนี่ยต้องการเลอะเกินคือความพ้นทุกนี่แหละต้องการความบ้นทุกเนี่ยที่อยากพ้นได้จะต้องฝึกจิตนี่แหละฝึกจิตใจของเราให้มีความสงบนี่แหละเป็นพื้นฐานเบื้องแรกสุดเป็นพื้นฐานเบื้องแรกที่สุดในต้องฝึกจิตนี่สักทีให้มีความสงบสก ถ้าจิตมีความสงบแล้วมันจะเอาไปทิ่การณาเพื่อจะแก้ทุกข์นี้ล่ละไปทิจารณาดูพระพุทธเจ้าบอกว่าทุก์สมุทัยมิโรดมัดจะเอาไปทิ่การณาทุกถ้าเผื่อจิตไม่สงบนะพระพุทธเจ้าบอกว่าทุกขเป็นสิ่งที่ควรกําหนดรู้เนี่ยถ้าจิตเราไม่สงบก็ทุกเป็นสิ่งที่คว ร, รค ว, วิ่งหนีแล้วก็ ตั้งใจวิ่งนี้อย่างเดียวมันก็ไม่ถูกเลยสิมันไม่ถูกวิธีที่จะกระทําต่อต่อทุกข์แล้วอะไรไม่รู้จักทุกข์อา้าค่อยคํานี้อาจจะฟังแล้วก็ไม่ไม่เห็นเหตุผลเนะเอทุกข์เป็นสิ่งที่ควรกําหนดให้รู้เป็นสิ่งที่หนีไม่ได้ไม่ใช่จะหนีหนีทุกข์ก็ไม่หนีแบบนั้นเขาจะต้องดูให้มันรู้แน่เดี๋ยวนี้เนะี่ยคนเราเนะี่ย มันไม่รู้จักทุกแน่นอนเนะไม่รู้จักทุกแน่นอนเพราะว่ามันคิดว่ามันยังมีสุขแอบอยู่นี้นั่นอยู่หน้ามันว่าอย่างนั้นนคนเราเนี่ยเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าอันนี้มันทุกอันนี้มันทุกยังบอกว่ามันมีสุขอยู่หน้านั่นลหละคือความไม่ความไม่รู้จักทุกจริงท่านบอกว่าเกิดมานี่มันทุกเนี่ยเกิดมานี่มันทุกก็ไม่เชื่อยังบอกว่ามันมีอยู่ ไปทําอย่างนั้นอย่างนี้มันยังมีความสุขอยู่หน้านีไหวอยู่หนึเพราะฉะนั้นคนเราจึงอยากจะเกิดมาอีกเนี่ยเมื่อเกิดมาอีกแล้วมันเป็นยังไงเกิดมาอีกแล้วมันต้องมีแก่มีเจ็บไข้เลยป่วยมีตายนั่นทั้งสามอย่างนี้ทุกข์ทั้งนั่นแหละพระพุทธเจ้าสอนให้รู้จักว่าคนเราเกิดมานี่มีความทุกข์ บางคนบอกว่ายังสุขอยู่หน้าเนี่ยนั่นแหละต้องสอนให้รู้จักทุกซะก่อนสอนให้รู้จักทุกจริงจริงซะก่อนมันไม่รู้จักท่านจึงสอนว่าเกิดเป็นทุกมีความแก่เป็นทุกเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นทุกมีความตายเป็นทุกนีสามสามอันนี่นะใหญ่ๆเนี่ยไปไม่รอดแล้วล้อมกรอบอยู่เนี่ยไม่มีใครรอดไปได้สักคนเดียวสักสัตว์เดียวเนี่ย ในระหว่างนั้นอีกในระหว่างแก่เจ็บตายนะยังมีอีกนะโศกเศร้าเสียใจได้สิ่งไม่พึงประสงค์ไปพบกับกับสิ่งที่ไม่พึงประสงค์พัดพลาดจากสิ่งที่รักประจวบ ก, กับสิ่งที่ไม่รักความคข่าควรพิริพิไรลําพันธ์ไม่ได้ดังใจอะไรต่างๆนั่นนะ น, น, นะแหละยังมีอีกในระหว่างที่ยังไม่ตายนะี่ยนะยังไม่แก่ยังไม่เจ็บยังไม่ตายเราเจอสิ่งต่็นตายแล้วนะั้นยิ่มีแต่ทุกข์ เมื่อรู้จักอย่างนั้นแล้วคนเรารู้จักแล้วว่าทุกที่นี่ท่านบอกว่าทุกเป็นสิ่งที่ควรกำหนดให้รู้ไม่ใช่ให้หนีไม่ใช่ให้หนีทุกเนี่ยแต่พวกเราที่เจรณาหรือที่ต้อยครรมบุคธลเจ้าท่านบอกว่าทุกเป็นสิ่งกำหนดรู้เราเพอเวลาเจ็บป่วยทีไรก็จะเอาแต่หายจะหนีจากเจ็บจะไม่ให้มันเจ็บ จะไม่เจ็บจะไม่ป่วยถ้าสมมติว่าทําตามอย่างพระพุทธเจ้าบอกเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นเมื่อความเจ็บความป่วยเกิดขึ้นท่านให้กําหนดจิต ด, ดูกําหนดจิตที่สงบถ้าจิตไม่สงบเนี่ยมันกําหนดไม่ได้หรอกเราต้องมีความสงบเมื่อสงบแล้วกําหนดดูอ๋อทุกความเจ็บนี่มันเจ็ดอย่างนี้ เจ็บเสียดเสียดแทงแทงอย่างนี้เจ็บรุมรุมอย่างนี้เร้าอย่างนี้อืมอ๋อความเจ็บมันเป็นอย่างนี้เนอแล้วความอดทนของเราเนะ่ะที่เราฝึกมานะมันพอจะทนได้หรือเปล่ า, นาเนาะขนาดนี้ทนได้ไหมเห็นมันจะได้รู้จักดูอย่างนี้ไม่ดูแล้วม่รู้จักประทุกมันมีอาการอย่างนี้เจ็บอย่างนี้ไม่ใช่คิดอย่างเดียวอะ ไปหาหมออยู่ที่ไหนน้อยาที่ไหนน้อดีเลยวันวันหนึ่งคิดไปแต่เรื่องนอกเรื่องยาเรื่องอยู่เรื่องยาทั้งทั้ที่ทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วมองไม่เห็นก็ยังมีความคิดอยู่ว่าหายหายแล้วต้องสบายเพราะฉะนั้นยังอยากจะอยู่ต่อไปอยู่อย่างคนคนที่เกิดมาแล้วเจอทุกข์แล้ว เ, เจอทุกข์แล้วแล้วก็ บอกว่าโอ้ยทุกข์เหลือเกินทุกข์เหลือเกินนะครที่ว่าทุกข์ที่ว่าทุกข์ไม่รู้จักทุกข์จริงเพราะไม่ดูให้รู้จริงไม่ได้ดูสักทีก็เลยเห็นว่าอยากเกิดมาอีกสาธุขอให้ข้าพเจ้าเกิดชาติหน้าให้ร่ําให้รวยเถิดชาตินี้มันทุกข์เหลือเกินสาธุขอให้ข้าพเจ้าเกิดชาติหน้ายาได้พบหน้ามันเลยอคนเนี้ยช่างเหลือเกินทุกข์เหลือทุกข์เพราะมันจนเพราะมันเหลือเกินชาดาขอให้เกิดอีกทีเถอะ ยังเกิดอยากเกิดมาอกีกนั่นน่ะนั่นแหละคือคนไม่รู้จักทุกจริงเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าทุกนี่ควรกาหนดให้รู้นี่ในขณะที่อย่างเดียวเท่านี้ก่อนนะว่าทุกกําหนดให้รู้นี่นะถ้าไม่มีสมาธิคือไม่มีจิตสงบไม่มีจิตตั้งมั่นแล้วพิจารณาไม่รอดท่านบอกว่าให้กําหนดดูรู้ทุกเนี่ยมันก็ไม่รู้ เพราะมันจะไปรู้ยาคาราเซตามอนก่อนมันจะไปดูมันจะไปรู้ว่าหมออยู่ที่โรงพยาบาลซีรียล่มันจะไปรู้ว่าหมออยู่ที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธหมอจะต้องเอาไปผ่าตัดอย่างนั้นอย่างนี้มันจะตรงแต่งตรนู่นมันจะไปรู้นู่นมันจะไม่รู้ในเรื่องของทุกข์ที่กําลังเกิดจริงๆมันจะไม่รู้จักเพราะฉะนั้นคือความสงบนี่เป็นเรื่องจํำเป็น เป็นพื ình, ình, ้นฐานจริงๆของสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างเราจะมองอะไรจะเห็นอะไรจะรู้จักอะไรถนัดชัดเจนเราจะต้องมีความสงบสะก่อนถ้าดิ้นดินลนโลนอยู่แล้วมันจะไปมองเห็นอะไรรู้จักชัดเรามันจะไปได้ยินอะไรรู้จักชัดมันรู้จักอะไรดีเราเขาจะอ่านหนังสือให้มันรู้เรื่องหนึ่งเขาจะมีความสงบทาไมสงบคนนู้ก็เจียวเจียวจ้าๆ้าอยู่หรือหนังสือก็ดิ้นไปดิ้นมาเยอะเลยเราไม่ อยู่สงบนึ่มันจะดูอ่านรู้เรื่องเรือหนังสือเนี่ยมันทังนองเดียวกันนั่นแหละเราจะพิจารณาอะไรที่มันละเอียดลึกซึ้งเข้าไปยิ่งกวัา ด, ดูหนังสือได้อีกมันจะต้องใช้ความสงบให้ถึงที่สุดนั่นความสงบนี้ยังจะต้องเป็นใช้ในการพิจารณาให้เห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงอีกสิ่งต่างๆที่ท่านบอกว่าความเป็นจริงเขามันมีอยู่ คือมันเป็นอสุภะบางเป็นฝังโสกโปกโสโครก บ, บางมันเป็นดินน้มไฟลมบางมันเป็นอนิจจังทุกครั้งอนัตตาบ้างเนี่ยงต่างๆมันมีความจริงอยู่อย่างนั้นเราก็กระเสือบทะสนไปจะไปรู้ความจริงมันไม่รู้สักทีเนื่องจากความสงบเราไม่พอพอจะไปคิดเรื่องอย่างนั้นอย่างนั้นมันก็เป๋ไปในเรื่องอื่นซะก่อน แล้วก็พัดไปในเรื่องอื่นซะก่อนไปในเรื่องสวยเรื่องงามสบายดีถูกใจไหมถูกใจมันไปเรื่องนู้นซะมดเลยไม่ไปถึงอันนี้จังทุกขั ง, งนอนัตตาเลยชาตินี้ก็เลยไม่รู้จักความจริงสักทีซึ่งความจริงเหล่านี้มันอยู่ใกล้ใกล้เนี่ยไม่รู้จักแต่ไปรู้ดีนัะรู้ประเทศอิรักเออรู้ประเทศอีหรานไปรู้อเมริ ก, มมรกา เธอหาเป็นรู้นอกโลก่ยโลกพระอังคารกาลังขวนควายคนควาเป็นการใหญ่ไปรู้ดีนักแต่เรื่องของเจ้าของนี่นะเรื่องจิตเรื่องใจของตนเองคิด้ายคิดชั่วเรื่องของจิตใจของตนเองเป็นต้นเหตุนำทุกข์มาใส่หัวตนเองเนี่ยไม่รู้จักอันนี้ล่ละพระพุทธเจ้าถึงว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายยั ง, งโง่เกิดมาแล้วน่าจะหาวิธีค้นทุกข์ เอาพน่นเอาตนเองพ้นกว่าพ้นไม่ได้ไปค้นคว้าทีไรกว่าพ่นคว้าจะไอ้เรื่องต่างๆมาซุ้มหัวเจ้าของมันทุกข์เพิ่มขึ้นจเรื่อยๆดังนั้นเราทําความสงบดีกว่าไม่ว่าานัดไหนเวลาไหนนั่งทําความสงบการทําความสงบนี้ไม่มีใครช่วยใครได้เหมือนอย่างกินข้าวเหมือนกินข้าวกินน้าเหมือนหายใจเหมือนกันอะ่ะไม่มีใครช่วยแต่ได้หรามีอากาศ หายใจอยู่มีอากาศอยู่ทั่วไปมีน้ําอยู่ทั่วไปมีข้าวอยู่ทั่วไปผู้บริโภคเป็นเราเท่านั้นในขณะ น, นี้เราก็มีอุปกรณ์อยู่หมดก้นเราก็มีแข้งเราก็มีขาเราก็มีลมหายใจเข้าเราก็มีลมหายใจออกก็มีต่อไปนี้นั่งทําความสงบนะั่งนั่งท่าสบายสบายแล้วกําหนดที่เนี่ยกําหนดที่ตนเองเนี่แหละกําหนดดีว่าขณะนี้น่ะเรานั่งอยู่เนอะ ให้รู้ตัวนะให้รู้ตัวว่าเรานั่งอยู่พอรู้ตัวว่าเรานั่งอยู่แล้วตอนนี้กาหนดว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้าลมหายใจออกเรามีไหมลมหายใจเข้าลมหายใจออกมีทั้งนั้นนะก็กาหนดทาความรู้จักอยู่อย่างนั้นนะในขณะต่อไปเราจะเปิดเทปหลวงปู่เปิดเทปไปฟังรู้บ้างไม่รู้บ้างไม่เป็นไร แต่ขอให้ว่าจิตใจไม่หนีไปไหนไม่หนีไปในเรื่องที่ยังทำงานไม่เสร็จหรืออะไรที่บ้านที่นู่นะอย่าคิดไปอยู่ตรงนี้กำหนดหายใจเข้าก็รู้จักหายใจออกก็รู้จักอยู่อย่างนี้แหละฟังเทศหลวงปู่ด้วยรู้เรื่องที่ท่านพูดบ้างไม่รู้บ้างแต่รู้ว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกคือใจมันจะอยู่นี่ถ้าใจอยู่นี่แล้วเทศของหลวงปู่ที่มา มันประจวบเหมาะกันพอดีพอดีกับจิตใจที่เราอยู่ไม่ห น, นีไปไหนเนี่ยมันจะสะดุดพอดีแล้วมันจะจับความได้พอจับความแล้วเกิดความทราบซึ้งรสราบงจิตใจจะสะงบทันทีเลยนี่เรื่องมันเป็นอย่างนี้วิธีทำนะเอาต่อไปนี้ฟังเทศน์หลวงปู่กัน